พุ่นถือขับกิเลสห่วยิ้มนอว์ถือข้อกิเลสจะยิ้มนอนว์เรื่องราวครบมิตรพระพุทธเจ้าก็สอนมิตรแท้สี่จำพวกมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบ เม็ดมีอุปการะมีลักษณะสี่ป้องกันเพื่อนผู้ปมาทแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผูมาทแล้วเมื่อมีใครเอาเป็นที่เพิ่งทำนักได้เมื่อมีชุระช่วยออกทรัพยให้เกินกว่าที่ออกปากสองเม็ร่วมสุขร่มทุกมีลักษณะสี่หนึ่งขยายความรับของตนแก่เพื่อนสามผิดความรับของเพื่อนให้แพร่พลายสาไม่ละทิ้งในยามวิบัติสี่เมษีวิตก็ อ, อาจจะแทนได้เมตดได้ประโยชน์มีลักษณะสี ข้ามันกระทำคอามชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยน้าใจอันงามสี่บอกทางสวอนให้มิแทสี่จำพวกทุกข์ก็ทุกข์กด้วยสุขก็สุขด้วยโตเถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนรับรองคนพูดสนรสืินเพื่อนไม่ตแต่เนื้อเพ่ามีกระดูกพระพุทธเจ้าสอน มิตรประโยชน์มีลักษณะสี่ห้ามรกระทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยนำใจอันงามสี่บอกทางสอนให้มิตรมีความรักใคร่มีลักษณะสี่ทุกก็ทุกด้วยสุกก็สุขด้วยโตเถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนรับรองของคนพูดสารเสื่อเพื่อนมิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบอรอบพระพุทธเจ้ามิตรปฏิรูปคือคนเทียมมิตรไม่ควรครบ 1. นคนปอกลอกสองคนดีสาต่พูดสามคนหัวประจบสี่คนชักชวนในทางคิดหายคนสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรไม่ควรครบหนึ่งคนปอกลอกมีรักษณะสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้น้อยก็คิดเอาให้ได้ว่าสามเมื่อมีภัยแก่ตัวก็รับจริงรับทำจิตของเพื่อนสี่คบเ พ, เพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว อันนี้ก็เป็คนคนกบคนหัวกระจกมีรักษนั่สีจะทำดีก็ค่อยตามจะทำชั่กวก็ค่อยตามต่อหน้าว่าสารเสื่อรับหลังตัง้งเนนทานี่ก็ไม่ควนคบเม็ดสักวนในทางคิ้วหายมีรักสนั่นสีักวนดื่มน้าเมาชัากวนเที่ยวกันคืนสักคนที่วเมาเมาในการเล่นชักวนเล่นการพรานันเม็ดสี่จำพวกนี้ไม่ใช่เม็ดเป็นแต่คนจี่เม็ดไม่ควครกบเนอะบกรจ อันไหนอันพระพุทธเจ้าว่าสอนมันมิได้เดียวเนี่ยเขาเอามาสอนเยอะ น, นี่ยมโนเนี่ยเขาออกมาว่าอกกันมโนเนีก้กแบบีตั้งแต่แนวเล็มกลางพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหะอันไหนพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยสอนเนี่ยมโมีจักแนวด้านศีลสอนในสารเสวนศีลหาเป็นเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาศีนท่าประการนี่เขา ห, าหัดควรรักษาเป็นนิตหรือค า, ารวะควรรักษาเป็นนิต ยาวซ้อนพระโสดาบันว่า่เสียดายอยากลงระเบิดศีลห้าว่เสียดายอยากเหรียอวายยงุกว่าเสียดายอยากจะถือยู่ยงคงกับพันว่าเสียดายอยากถือเหลือดีน้าดีว่าเสียดายอยากถือผีถือสางเทวดานอกจากพระพุทธเจ้าเนี่ยวว่าไม่ได้ถืออย่าง คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาร่วมบวกเขากับคุณพระพุทธเจ้าแล้วสงเคาะกันเขาแล้วบอเป็นพระราแสดงกันคุณท่านผู้มีคุ้นก็ได้พระพุทธเจ้าบอกว่ามีจัมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพสมบัติในพานสมบัติตั้งนั้นอันนู้ การค้าขายก็บอกไม่ค้าขายเครื่องปะหารไม่ค้าขายมนุษย์มู่งห้าออกก็ไปขายกันฮอดประเทศญี่ปุ่นคขายมนุษย์ขายกันเยอะน้าตอกหอยห้าเขาเนี่ยขายกันเยอะน้ำว่าเป็นตอกหอยห้าเขาขายกันเยอะน้าจังหวัดอำเภอคุณค้าขายสัตเป็นเรนเนอร์สัตว์ที่ตัวข่าเพืเป็นอาหารค้าขายนําเมาค้าขายยาพิษ การค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกมาให้ประกอบสมบัติของชาวโลกห้าประการหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุะทธธรรมพระสงฆ์สองมีศีลบริสุทธิ์คือศีลห้าสามไ ถ, ถ่เอมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมงคลสีมาแสวงหาเศษบุญนอกพระพุทธศาสนาห้าบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติห้าประการและเว่นจากทิบัติท่าประการซึ่งตรงกันข้าม ว่าฝนชนละทาไม่ตกตามฤดูกาลเพราะอะไรชาวโลกพูดกันว่าทำลายป่าไม้ลำทานห้วยน้ำลำทานต้นน้ำลำทานทำลายป่าไม้แต่พระธรรม迦牟ิเจ้ามาได้พูดอย่างนั้นคนห่างเหินจากศีลธรรมฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลบ้านเมืองก็อนเหลวเหงว่ ห, วหวย ทุกกรณีวิธีทางฮะนี่โลคไอหยังในประเทศเท่าพังพ่ายลงมาแต่ ย, ยื่นข่าวว่าทั้งโคราชโคเลอห่อแล้วอยู่ในโรงอันนั้นมันมีไอหยังในโรงอบนวดหรือโรงออหยังว่ามันคําประปีบอกเออร่งแรม ต้องแร่บมอไม่ผู้ประพฤตอิอย่างยูหันไม่ผู้ว่านโมและคนบอยูหันอันนี้กนาพี่กนาเนอันนี้กน็น่าหรือหาว่ามูประเทศชาติบ้านเมืองมูเฮ้าไปทัวร์หลายน่ะเที่วดาบริยมก็บพจรจักอันนี้กนาพี่กนาเนี่พี่นองเหงื่อเขาก็ได้ยินเนี่ยจะเกิดมา พระพุทธเจ้าตั้งสอนดีก็จะตายเนี่ยมืห้อของทามคาไม่ทันสมัยเพราะว่ามันเกินท่านสมัยเนี่ยมันกายสมัยเต้มือห่อเนี่ยโลกทั้งหลายการค่าขายพระพุทธเจ้าก็สอนเนี่ยฆ่าขายเครื่องประหาร่ขาขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์เป็นเรื่องสัตว์เทศตัวฆ้าไปเป็นทหารฆ่าขายนมม้าฆ่าขายยาพิษมันมีแต่เครื่องเคลื่อนไหทางนั้นน่พระพุทธเจ้าสอน คดีดำคดีแดงในโลกในศาลมันจ บ, กบเกษียเปียนเนื้อกรรมในผลของกรรมจ บ, กบเกษียณเปลนท้าดีก็ตามไปจนสาสตเขาซูพเนพานทําชั่วก็ตามไปจนสอดสาสตร์เขาซูพเนพานบอกให้สั่นอรลดคดีดำคดีแดงในโรกในศาลมันจ บ, กบเกษียณเป็นเขาทาเขาทำชัวแท้เขาสบายใจดีแท้มาสัน่นจากแนวาาห้องพัเนี่ย ว่าถ้ามันซ่อมเข้าไปเข้ากับตายก้อนเขาหรือเขาตายก้อนเข้ากขบไ่รู้พ่อไปเห็นเขาแล้วให้คะแนนโลดออแล้วเขาเป็นนิคีเชียภัยมากไว้จักผู้ใด้มาในทางที่ประชดผนไปได้สักมือสนอันโหนขันว่าพ้นของ ก, กรร ม, มวุ่นนี่นั่นผู้ถือวุ่นวายบาปวุ่นวุ่นไปได้สักมือสนอันโหนนั่นคนเข้าใจถึงทุกคนให้ถึงใจถึงในทางขั้มดีคนเข้าม่อิสระทุกคน อาเมตระท่าทำดีตามสติกําลังของตนพระพุทธเจ้าสอนอยังสั่งแม่คนโมโยนั่นรับเดียวกันก็จริงแต่ให้พระยามละชั่วทำดียน่นลงมาอีกคําสอนพระพุทธเจ้าจงทําจิตให้บันเทิงในอาการละชั่วทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทาั้งหลายยน่นลงมาเลยสู้พระพุทธไปพระพุทธสินท่าทสั่งสู้ก็ด้เป็นพระหรหัสดอก แพอหนึ่งจงว่าคาว่าได้เป็นพระอรหันต์พระสักขาข่าไม่เอาอาพระสกขะฆ่าไม่มรักบ่เอาพระสักขาข้าไม่ผลบ่เอาพระอนาข่าไม่มรักพระอนาข้าไม่ผลเ่อเอาพระสักขะฆ่าไม่มรักพระสักขะฆ่าไม่ผลบ่เอาพระโสดาพระมักพระโสดาพระผลเ่อเอาตายไปแล้วไปเกิดในเมืองสวรรค์ในภพมรรคเมื่เอา หรือตายไปแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนชั้นสูงว่าเอาหรือเสียเอาเจอลงมัวหกวันเดียวหันนี่นะขั้นถามจะคล้องอันนี้สูสุดไปสูขวัติได้เป็นเศรษฐีหรอกว่าไม่ได้เป็นเศรษฐีพอดีก็ขอพัะกินนึงว่ะพอดีก็รักพระจินบ่ะอันนี้ก็ควรพี่ก็น่าอันนี้ก็ะไรหลวงปู่เสาคนวัดไอ้ว่าหลายคือง่เฮ้าหรอกเฮ็ดไปลูกหลานเลย ขามันเมื่อไ้มักพ้นในพ้ากไปหายมันเป็นนิสัยป้ายหาพ้นในบุญกับหายได้พ้นน้ำแนวก็เอว่างหลักไปจ่อยลด้หลวงปู่ปูเสาวไปบอกว่าร้ายคือมือเขาเดียอันนี้มูหเขาเนี่ยเสนอจนขี้ขาดฟัง <c oughs> <c oughs> ที่นี่ผู้หวังผลทุกในตาตาสงสารโดยรวนผู้สาร่งบัดนีแก้กรามมาแล้ว ท่านเขาแม่ทับครับแต่ น, นึงกังวังเพื่อมะขนในผ้าบ่ได้หวังพระอเล็กเ พ, พื่อผาเพื่อวัดเพื่อเบือก็บว่าจะย่อมหรอพระคือกันละคันวังเลกหวังผ้าวังวัดวังเบอือสูเขารักษาสินาญวานบ่ได้พระเนี่ยเท่าก็ได้แม่แม่คือบอกเขาทั้งก่งและทั้งอ่อมก็สร้างก็ต้องเพียรัด เพราขอเก็หูจักไปเลยชีเลิปัจจุันไดกแต่จะของกา ห, จกกกกหูจักกับของหลวงขันทายยังถือว่าบัดเบอร์บรกเบียเ้ยนี่มันถือเป็นของเจริญอยู่ผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นพิษจากทํานองข้องข้ามในโลกมันก็นไม่เอื้นแน่วเลยแต่เขายังเห็ุแนว่วะแม้ผู้นั้นเพ่งมันสังมาว่าสัน แม่ม่วันมันมันกัยังกินมูดกินคูเนี่ยเทว้ามบินต้องไปกินมูดกินคูณต้องเขาไปยังมันกับฝนพราเนี่ยแม่แม่ึ่งมันก็ไปตามของมันมันกับว่าประชาธปไตมแม่รู้แม่ผึ่งแม่วันมันกับว่าประชาธิทปไต่มันก็บอกว่าของทริปมันเนาะกรามของมันของไปของมันกรรมโมหน้าวัตถิโรโกทะโลกเป็นไปตามกรรมเท่าจะเป็นคนยุ่งซนไดเท่าหว่าจะตามขาย่อมเช่อว่ากัดกล้วยเรื่างหัวหน้าหนึาะว่า ยาหัวมันเถาะว่า่นไปเลนไมอยากเขาเนี่ยมันมันม้วนแต่แทว่าท่นมันจะตายไปไปคิดก็อยาจะยาหัวมันาสั่นบักหนึ่งเข้าพันวัสดนเป็ี่ยนตอนนั่นตีล่ะฮะเนี่ยการเข้าวัสดุเปลี่ยนตอนั่นกาสแสดงให้เห็นว่าบาไม่เข้าในย่างอ่อนหลายมองนะเขาพันวัสดุสั้นนั่นตีล่ะเข้าพันวัสุยักสูขึ้นข้าอดังนั่นดอกบัว ในครั้งพระทเจ้าห้องพเทียบใดอกบัวที่ลราดอกกุ้ต่น้ากับต่น้าเต็มพุ่มดอกตูมกับตูมเต็มพุ่มดอกสมั้ามกับสมาเต็มพ่มดอกตูมกตูมเต็มพู่ดอกบานกบานเต็มพู่มดอกบานเต็มพ่มน่อุปมาคือคุบว่าอาจารย์พูพ่นไปจากเล็ดแล้วดอกตูมอุปมาคือตะเกียบตะกายยักษ์่ดอกสมัชนามคือหัวะกาลังเริ่มถือพระพุทธศาสนาดอกไต่น้าถือว่าม่บาปไม่บุญเอา บุกคลนผู้เถือกว่าไม่บาปไม่บุญแต่มันเสียงเสียงจอบเสียงเสียมขุดฝังจะขลองอ่อเสียงเราหมือันขันทาที่เป็นคนสันนั่นข้าก็ บ, บ, ว, บกาา ว, ว่ า, าปปเป็นที่สบายขันท่าเนี่ยล่ะอยัางจังเปล่ยนก็พระขันทางมาแล้วไม่ีแก้การมาแล้วสียว่าอย่างไรฮะมันก็บอกเป็นที่สบายเ่มันพูยูงไนสันนั่นก็ปเป็นที่สบายสว่าอย่างไรัง เป็นยังเข้าจังห่ะเป็นที่สบายอเข้าสามวันแล้วไม่มแก่กลามาแล้วเด้เบากระมูอกับฝันเบาหลายแต่เด้เบากระโปงวับเดียวเบาหลายไปปฏิวัติเพื่อพ้อนทุกข์น้ำตารงสารปัญหากบบรรมวายพระคือกันโยมคือกัน ถัาเสียพระเทวเพื่อลาวเพื่อยอดเพื่อเสนเสริ ญ, ญปัญหามันจะลายถ้าหงพ่อพระเจ้ามีรายสัน่นธรรมะสั่นสูงได้ได้ใ น, ในโลกร้วนอนิจจังได้ได้ใ น, ในโลกล้วนทุกขังได้ได้ใ น, ในลกร้วนอนัตตาอย่าสงสัยได้นาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเห็นอนิจจังขาะคิดนังกับฉันโกรอบนึงนลยถ้าสั่น ส, สูงพรลกแต่มไปด้วยอนิจจังข้อมุมันวะเทียง เัียบเงียบด้วไปหาข้มันมเพียงแน่รมว่ามีมันมาเจอมันาเจอมันพบมันมาปะเอเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงสิงนั้นเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นทุกข์คณะเจ็ดหนึ่งเห็นโลกเราหนึ่งโลกแต่ไป็นเรื่องทุกข์เห็นดินน้ำไฟร่มบ่ามันสัตว่ามันบุกค้นเห็นแต่กองทุกข์มันล้วนมุโยนในอำนาจวาสนาของผู้ใด เป็นของกล า, างในส่วนทุกข์โยู่ามันตัว Gore, มันต่วนมันเล่ามันเขามันสารพบุคคลไม่จะทุกข์ทั้งนั้นคำว่าตัวต่วนเล่าเขาสัารพบุคคลมันเขาต้องทุกข์นี่ว่ามันโมเมนตัวต่วนเล่าเขาสารพบุคคลใช่แล้วมันจึงไปหาทุกข์เขาสัตว์เอาขอนมาทุกข์หัวของโลกเขาเอามันตัวโมันต์นั้นกระทุ้บทำไมยักสมันเจ็บเนี่ยเนมันเจ็บที่ฐานมันจะขาทซะวะขาถทำไมอย่างนี้ก็สมันตายเนี่ยมันจะตายะ เหตุที่สัตว์มจะารมณเม่นตัวตุวเราเขาทันพวกคนมี่แต่ดินน้ำไฟรวมชุมกันเป็นกายได้กว่าลูกอยู่ใต้อำนาจอนนาจังเกิดขึ้นได้กว่แปดปวนแล้วแตกสลายอเวนังอซาปตังเนีที่ท่านกำลังในเส่นโนวาทยานวานเขาล็กถ้ามันมีเว้นในไพตัวทั้งใจลูกกระ่ได้เขาล็้างกระดูกคนไม่งนวะมัดจิตมัิบาปอย่างไีมผิดเด็วิธีทำอาฆาตกับูกขึ้นไม่ได้ว่ามัน ขึ้กับผูกเขินไม่เท่าที่สมควรนี่วันนาะคือพระองค์ือหน้าไปพิมพ์ผ้าไปถ้ำวัดพระองค์เจ้ามวยขอขมาโทษพระองค์เจ้าเขาสู้พระนี่ยผ่านคือพระมหากปะมว่ขอขมาโทษพระองค์เจ้าในเวลาที่พระองค์เจ้านิพัานก็พระรหันต์เราจะเอาโทษกันยังไงสุขชนสุขชนโทษไปละก็ทถ่ำเพื่อเป็นถอดสะพานให้อุ้ชนรุ่นหลัง มันกับกงกับข้ามเทวาอัปจายะทำไมันสมเด็จราชกราพึ่งถอนตัวแกผู้ใหญ่อัปจานะทำไมมันก็เป็นบุญกองนึ่งด้วยเหอเววาทั้งหลายค่ะแต่มันก็เป็นกัตันยูกตเวทีตาเนี่ยอันนึ่มันก็มีที่เอากาเอาเวนกันอย่างทุกคนตสุเป็นพระราหารับเฮ็ดตามถ้ำนี้มาจรงเลยเพื่อทอดสะทานไว้เรื่มองกันมา โทษในท่านลูกท่านเต่ามากจะพบนั้นพบนี่ในกินเนงแกลงไก่ในทะเลกันชาตกเป็นแม่แพะได้ไปกินน้ำคุณกอนผัวที่จะให้บาปให้กรรมว่าหนาปป้าพิมพ์ผ้ากระทําจะซื้อทําเป็นผ่านานให้อานุชนรุนหลังจะซื้อว่ให้เยอะยิ่งจองหองให้จับกระตันลูกกระตันที่จะซื้ อ, อท่านพุทธเจ้าคนหัวจัก กตัญูกตัญญูที่เป็นเครื่องหมายของคนดีเท่านี้พระพุทธเจ้าพูดมาเขา็มีอยู่ในบาลีบาลีจิตบาลีใจมาาด้ใสก็ออกจากมโนภูพังบาลีอะไรบาลีบาบาลีบุญนะเจ้าบาลีมรคนี่พลาดนะจ้าบาลีไม่อยู่ในห้องไว้ห้านี่งูตัวทำวัดท่านจะคุท่านนี่เทาทานวัดเียวเวเบิ้งท่านนี่ต้างสีอย่างว่านี้เอท่านนี่เออทั้งเหล่ายังไง เอาที ten, huh? ่ไกลลาเนาะว่าพูดไม่ให้ถูกปัญญัติมันก็พูดไม่ได้ฉาปัญญัติโยคันธปัญญติอายตนะปัญญติจะปัญญติอินทรียปัญญติยิงซีก็ปัญญาติเนี่ยอริยสัจีก็ปัญญัติเนี่บุคคลก็ปัญญัติเ่บุคคลพระพระบุคคลปัญญาติบุคคลก็ปัญญัติแน้วบุคคลที่เป็นโลกีบุคคลที่เป็นโลกุตระก็มีหลายอี กจัป right ัญญติอริยสัจก็บัญญัติกิตาวาตาภูคารนังภูคละปัญญติสมยาวิมตโอสมยาวิมตโตบัญญัติทั้งนั้นกุปตะโมกุปตะธโมก็บัญญัติทั้งนั้นทำได้คำเลิกทำที่ไม่คำเริกเอาสิแน่ที่พระองค์ไม่บัญญัติไม่สิแน่ที่บัญญัติว่าธาตุสิแน่ก็บัญญัติว่าทำได้ ธาตก็แบ่งออกเป็นสองโลคิยธาตุโลกุตระธาตุธรรมก็แบ่งออกเป็นสองโลกิยธรรมโลคุตระธรรมโลกุตรธรรมก็มีอะไรสั้นโลกิยธรรมก็มีอะไรสั้นท่านเอาสี่นัยที่เป็นขันโลกิยขันโลกุตระขันข้าเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงบัญญัติว่านานานานาธาตุญาณรูปธาตุต่างๆธาตุทั้งหลาย ย้อนลงมาเป็นสองโลกคีธาตุโลกุตตาธาตุทำทั้งหลายย้อนลงมาเป็นสโลคยธรรมโลกุตตาธรรมสีนทั้งหลายย้อนลงมาเป็นสโลคีศีนทโลกุต拉萨สีนสมาธิทั้งหลายย้อนลงมาเป็นสองโลกียสมาธิโลกุตร萨สมาธินอกจากสมาธิของพระพุทธศาสนานจะเป็นโลกียะสมาธิทั้งนั้นนั่นนอกจากเกตุนาของพระพุทธศาสนาแล้วเป็นโลกียะเกตุนาทั้งนั้นทีิพากันก็คือผู้นอนใจในลุ่มฐานเพลิงทาสันทง ผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสารก็คือผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญากลมกลืนกันใน อ, อยู่ในปัจจุบันชั้นสูงนั่นเองพระพุทธเจ้านเมื่อใดเห็นธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็ยอมหน่ายในทุกข์นั่นแหละศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิพระพุทธเจ้าศีล ส, สมาธิปัญญาของพระโสดาบันศีล ส, สมาธิปัญญาของสัพท่าข้ามี ศีลสมาปัญญาของพร ะ, าะอาหน้าข้ามิศีลสมรรถยาของพระหลานจะเอามาเทียบเที่ยงกันเม่อไรปัจจุบันของพระโสดาบันปัจจุบันสองพระสักราข้ามีปัจจุบันอน้าคามิปัจจุบันพระรหลา์ก็จะเอามาเทียบกันเม่อไรเพราะมันยิ่งย้อนกว่ากันมันสูงกว่ากนนานณโม่พระโสดาบันณโ ม, มสกทาค า, า, ามิณโม่แปลว่านอบไหวหรือแปลว่าณโม่คือใจก็ว่าได้ใจพระโสดาบันใจสักทาขา้ามีใจอนาคามี ใจพระอหันตต่างคนต่างอ้างใจจะเอามาเทียบกันกับอะไรไมียิ่งย้อนก็กับนะทงเป็นผู้ยนโมชบพระอรหันต์ยนโมชเมื่อ ม, มาเกิดแก้กบตายอีกนอ้นอมน้จนเมื่อมาเกิดแก้แคบตายอีกนโมตั้มขาพระสวัดา์ันงไปนโมเะไรอกนโมพานโมวัดนโมเบือนโมลงวละหกอันถิพื้นแทไฟเขาแหลเอาดวก้อนขึ้นมากไม่ตะกี่เท่าบอกสันบ ท่ทั้งหลายของพระองค์เจ้าย่นลงมาหายใจคขว่าเป็นสามกับกายว่าใจใจพระใจพิรุกไจพิรุกย่นลงมาเป็นสองกัขาสองแขนนก่สองหัวหนึ่งขันย่นลงมาปัญหาขันย่นลงมาเป็นหนึ่งกับคือใจมโนภูพังขบาธรมามโนเสถ่ามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ย่นลงมาย่นเป็นสองกายทับใจย่นเป็นสามกกายว่าใจใจพระสูตรกระสูตรของกาย พระปรมตัตถกับมัดพระสูตรกระสูตรของกายว่ า, าใจใจพระปรมตัตถกับมัดเขาในกายว่ า, าใจใจนี่ข ย, ย่อนลงว่านะว่าพระวินัยก็ออันเดียวกันขันว่าเป็นสามกายว่ า, าใจใจขันว่าเป็นที่กฐาที่หรืออริยสัจที่ขันว่าหาขันว่าเป็นหาลูกเวทนาสัญญาสังขารเวียนยางขันว่าเป็นหกตาหจูจมูกเลี้ยงกายใจขันว่าเป็นเจ็ดกับอริยสัจเจ็ด หรือสัตวาว่าเก็บเป็นต้นคําว่าเป็นแปดอัตังคิกรมะค่าแปดหรือโลากระทําแปดคำว่าเป็นเก้าครับมัรสีเหมือนผลสีนิพพานนี่ยคำว่าเป็นทิพย์กุศลกรมรมวัทิพย์และอาคุศลกรมรมวัทิพย์กับของเก้าเนี่นะขยายออกว่าหลายก็หลายออกไปจกใจาว่าน้อยก็น้อยลงมาหาใจว่ายน้ำลงมาเอกกันไห ทำบุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจทำบาปก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจทำบุญก็คือทำบลลุญฉลองใจทำบาปก็คือทำบาปฉลองใจทำบุญก็คือต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจทำบาปก็คือต่ออายุของบาปอยู่ที่ใจว่าเพื่อให้เขาใจง่ายอยันยนต้งมาแลวา้ววันเสื้อเชนเดีลหล่ะเขาถึงออกไป คือออกไปเงาโค้งมากกับมาไ้ของเก่าเงาขย่ า, าเอกไปจากไกหยดลงมากกับมาหาไก่เสีนไม่ตัวเดียวศส้นหาคันบรวงลวงระเมิดก็เป็นเชือกหาเกี่ยวอยู่ในดวงใจศส้นเสียบบัวลวงระเมิดศส้นแปดบรวหลวงระเมิดก็เป็นเชือกแปเกี่ยวอยู่ดวงใจศส้นสองวายยึดทุก็กคือกันนี่เส้ตัดส้นลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารับรู้ลงในที่ใจนั่นหยดลงมากี่เอีกวา ถ้า <necessary. S 2> ไปนี่ค่ะเอาแล้ว้ไงฮนเนี๋ยวบอกสาวไปสาวมากับออกกับเข่ า, มม า, าทั้งไก่ทั้งไก่ครบวัดแล้วเมื่อแล้วสงสารท่านพโาแต่โลกนานาไม่อํานวยอบอกไปล้ายจากทุกประเนทเลยมหาเทระชั้นที่หนึ่งคือพระสำมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายชั้นที่สองพระพระเจกทั้งหลายชั้นที่สามอรหันตาขีนาศทั้งหลาย ทั้นที่สี่พระอนาคามีทั้งหลายทั้นที่ห้าพระสกทาคามีทั้งหลายทั้นที่หกพระโสดาวันพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้แหละถ้าพวกเราทั้งหลายจะทําผิดท่านด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามมาแต่ในพวกก่อนชาก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในครั้งหน้าก็ดีขอให้พระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้จงทสมก็โทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมือ่อผลชดใช้พวกเราทั้งหลาย ต้องประสบแต่ความสุขความเจริญในาวราระพุทธศาสนาของพระธมรสัพพธเจ้าจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีหรือทั่วทั้งใจโลกทาต่างฝ่ายต่างทําผิดกันด้วยกายะกรรมสามวิจิกรรมสีมโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พบกฎก่อนก็ดีปัจจุบันนี้กวีจะเป็นไปในข้า้งหน้าก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าทั่ทา้งใจโลกา ต่างฝ่ายตาให้อโหสิกรรมแก่กันและกันอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกแม่วัฏฏสัมพันธ์โดยด่วนผลนทุกท่ายพวกเราทั้งหลายด้วยเดพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณและก็ทรงไม่อยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้นะแม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อได้ไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกชนชาติที่มาในที่นี้คดีไม่ได้มาในที่นี้คดียงประสบแต่ความสุขความเจริญในบาวพระพุทธศาสนาเพราะพระสมยัยพระพุทธเจ้ายิ่งยิงย่งขึ้นไปจน ถ, ถึงที่สุดทุกโดยชอบ ทุกต้นหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเธอหั่งตุ้มแห่หิปเมฆพรมิตบางยะสัพพะปังกตังขะมังกูเชเรนะพิหิตีสมังโรกังบพายเศรษฐีอภรณ์โทชันเทมาภิวาสนาสีนิจจะนิจจังวุฒาปิจายโนยจตารูธรรมาวัตันติอายุวโนสชครังพระลังใช่มันไม่ผิดดอกหรือไม่ผิดสิเราเคารพทำอันไม่มีเวรในภัย นบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาา่าจะเราเคารพธรรมอันไม่มีเวรในภัยมันก็ไม่ผิดเราไม่แสวงเราไม่ต้องการเวรภัยกับท่านผู้ใดเลยเราเคารพธรรมอันไม่มีเวรใน่ภัยมันก็ไม่ผิดเราทําวัดทั่วทั้งไทยรกทาตเลยเทวดาหวงสวรรค์หรือที่ไหนท่านเราท่านเกาะสาธุเลย ฉะนั้นจะไหวแล้วเราอาเจี๋ยเออเธอนี่มันทิฏฐิมากเก่งๆเขาเห็นเมกลอยมาเขาเข้าใจว่าพระบรมศาสตาเหมาะมาเขากราบเขาไหวเขาก็ได้บุญนะเธอนี่มันทิฏฐิมากเก่งๆอันนี้ก็อันเดียวกันอ่ะเข้าเข้าใจว่าเป็นร้อยพระบาทเข้าเข้ารักพระไหวมันก็ได้บุญนี่คือการเข้าเข้าใจว่าเป็นธานมันบ่ได้ผิดเลยแปลกเลยเขาว่ทราบเขาเขา ข้าวไว้ไม่มู้นี่ได้ข้าบักก็อดกัได้เพราะพุทธเจ้าของเข้าอิทธิ์ปุณมันเขากัยังได้บุญได้อันนี้ชังแมนบอมแมนเขากับวศิเปียบแลเข้าเนี่นับถือนบองสันว่าเขานับถือเองใช่ไพระพุทธเจ้าไหนบอกของสันไม่งันหรเข้าเสิยเปียบในบอมแมนก็ได้เข้าเขาหลบได้เออนักแข่มันเข้าออกสีไส้มาเข้ากับเขารลบวกดดูพระพุทธเจ้าเข้ากันได้บุญด้วกัน ากวายนีก็มะเอ็ดจะปูนท่านั้นข้าววายขุ่นพ้นผุนอันนี้ข้าวกวายขุ่นพ้นผุนข้าวกระไดวายกระดูกพ้นพาจีวันพึมอยู่นี่ได้ไหมสันพ่อกระดูกนี่เนี่ยเมื่องเพิ่นบว่าเขาเห็นแก่นาคาซื้อตัวเขาจังเอามาให้เขายับมือเศร้านี่ได้ไหมสันไม่ใน่ทองคำว่าวันนัุ้่นของเพิ่นหักออกแฉะวะสันถูร่วงทิ้งที่นี่เขาเห็นแก่นาคาซื้อประพุทธระธรรมพระสงตัวเขาไม่กินวันอันในว่าแม่องเพิ่นไม่เหาะน กุติเวหาหนยไปคีไปคีสถานเพันตัวส่นอนกันนอนกุติเพันตัวสั่งไหวเจ้าของว่างาย่อมกับญ่งนย่อมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จาไม่งานย่มของโจรวะสั่งไดโรคทาตแม่ท้องเพ้นเมตส์เนี่ยสั่ขันเจ้าลึกถึงขุนเพลนวาเห็นขุนเพลนเลีัยสั่เจ้ากับพิ่แหน้าคอามกั่ลมหายใจเขาออกมันจะวางก้นาสั่งย่อตะเคียกรงแลวหนาสั่งกำหนดรวอมกับลมหายใจเขาออกว่าท่านพระสงฆ์ น้ำตาพอจักมันไหลมาที่สย่ยเนี่ยเปียกหมดเ น, นี่สักสะก ส, ะสะักัเนี่ยปฏิบัติใหม่เนี่ยไปเราถวายองค์หลวงปู่ห ม, มันนม่นองโอหลวงปูหมั่นอเอ้ยนิสใยไม่เนาะจิตลงงานนี่นิสัยเฮาผมก็คือมู่ได้หันอายุหาปีเขาไปเห็นวัดปลา มันเป็นวัดป่าอยู่เก่าต่เก่ามันห้างมั้งแล้ววัดตะบรมมาลานเช่นก่อนอิศก่อนผาคนคือสิ่ผ้าหนาอย่างนี้คนคือสิ่ทองหนังสืออยู่นี่คนคือเสียเดินจงกรมอยู่างนี้คนคือสิ่งเทศงานน้อมเยาวนิยมทำไมแค่กุกไม้บ้านคืนวัดเราไม่จะไม่จะถากไม่จะก่อนอีกก่อนหยังไปซ้ําเนี่ยซ้ำอยากไปซ้าอยากมาหน้าตาไร แต่อายุหาปีแล้วพ่อไปไหนมาบวช ด, นะดำหน้ายนนําเอื่อยเอื่อยเท่าแว้นเท้าแกวเท่าจันทีเท้าโตเป็นลูกรามูกิ่งไปกิ่งไปน้ำวนเข้าขาดหน้าแล้วพอเปนบอกว่าหน้าเท้านี่ห้ยบักสิงเท่านี่ห้ยบักท่องดี แค่เนี่ยหาอีวนไม่แค่เนี่ยหาอี ก, กันที่แค่เนี่ยหาอีแกว้แวแค่เนี่ยหาอีแหวนแค่เนี่ยหายบักราหน้ามะกว่างได้หน้าพอ้บุเอาดักอะไรตัวอานนู้ดหอบอั น, นู้ดหปียนะบ่๊เอาไป่สาวพอไหมบ่๊เอามันจะไปเอาไส่คุณหน้ากูวะท่านมันอยู่ไกลโคโคมันอยู่ไกลบ้าน ต่บ้านนี้น่หน้ากู่ะี่ไปทั้งหน้าสี้ไปทั้งโคโค่น่ะหน้ากูพอฟังแล้วพ่อเขาหัวยำยำเ้าให้ลูงกูหมันฟังลองกูหมันหวเป็นว่าเออนิดวสยโตเป็นว่าได้โดนแล้วอน่ปีนั้นออกพมาน่าเนี่ปียี่ยิบห้าพัน้องพันสิบลาแป่าก่าเก่าชิกาบเป็ดกิปสองยู่ิบหกปีเนี่ยี่บันน้องผือ หลองปูของมาเชี่ยวพยายามาองลงปูมันปีละสามเทืย่ยงที่เชี่ยวประทหลวงปู่ของมาลวงปู่องมาเนี่คาอาหารเลยหลวงปู่ของมายิบยิบอยู่ยกาเมเรียนหลวงปู่จวนจวนเนี่ยบอยานบยากบยานจะหัเขาลบ ก็ที่ได้เอาล็อกภูมันออกมาหอดวัตถุธาตุกับมันนัย่ายบลงอกภูของมาเนี่ยที่ได้ผลออมาเนี้ยอกภูเทตดพัดกับประวุลล็อกภูฝันพันกับประวุลล็อกภูของมากรอันวันนี้วอกันวันนี้ไ่พักบ้านเมองไครเะค่ะว่าออกจักบ้านเมืองไครอะมันพักกุดกรอมแบบมืองไครบวกลวรเอาไปพักบัวนาไส่ยังไตใสตาย กันว่ามานา้กินข้าวเปลาสมอไปกักไปโดนมาพ่อไปพักยกขุดกอนสลยอ็ขึ้นพวสักคหรอแล้ลวไปหออกทั้ตัวไปโยนท่านเดีไปพัทยกสักคลขึ้นเดียวท่าน ก, ก็ไปอนเดยนี่ น, น, ช า, น, น, นาชื่อว่าขรองเข้าไม่ได้บัดเข้าเขียนแล้วชื่อว่าประวัติเอาชื่อว่าประวัติมาใหา้พงงานพงโนมโนไป เนี่ยเราเจ็อยเจ็ดหอยหมดเฮาอี๋ยังปัถนาสาวกคู่มใก่เพลนดอกมาได้่อลงทุ้นหลายคือเพลนเพลนลงทุนหลายพระองค์เจ้าฮะเพลนจังได้เปลี่ยนพระพุทธเจ้าศาตร์ยุ่งเมืองบุศินาร่าคือกันพรอย่างไ้ห่มพรอยากไ้เกิดพรอยากไรยังแดงโรงท่านไว้ตั้งท่านล่งผลพระพุทธเจ้าของเขา ปานังนจ้กงไหนมาเป็นพระพุทธเจ้าสอนเท่าคารวะหรือเสียมาเทียบพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้าร่องตามันกับบัตรถึกแล้วแก้วแทะเสียมาเกิดเป็นหินหินเสียหนา้าผสิมาแพ่งปานแก้วมันว่ามันแน่แนนอันไหนที่มาพอทอพระองค์เก่าเทาคมสอนกับบัตพ อ, อพระพุทธเจ้าเท่า คำสอนในพุทธกาลเขา้าพ่ออมทั้งมนุษย์สมบัติพ่ออมทั้งพุมสมบัติพ่ออมทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุสมบัติในภานสมบัติหน้าหนามอะไรอีกเราเอ้ยหน้าอีกเราเอวไว้ไปหามาอีกหนาอีกเลยกัดจักองเขี่ยไปเอานี่ไปนับ้าดไปนับไปไปหามาอีกไปยุ ก, กุตเท่ากับนี่รเปิดรักตูเอาสาม ที่หาหกเก็แปดแปดองค์มาอีกแปดองค์ไว้มุนทําไว้ไปฝ่าบ่าลมฝนบาตกพวกวิทยาศาสตร์บอกว่าทำลายต้นไม้ลำธารนะพนว่า ทำรายปา่าไม้ทำทานพระพุทธเจ้าบอว่าสาาาัตว์คนทางเหินจากศีลธรรมฝนบ่ตกกำาดูการลพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าสัตว์วิทยาศาสตรเพื่มาล้มบ่พัดนะสัตวมันก่อนเม็ดบ่ม า, มาสัตวพระพุทธศาสานาว่าคนทางเหินจากศีลธรรมดัชมังน ต, ต, ติตัศมาโสทเทภวันตุเตรัตนะอันใดในโลกนี้ จะเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่เลยปฏิเสธแล้วนักที่เมสรังอันย่างสาระอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสาระของเราด้วยข่าวคาำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงเมืแก่เราพระธรรมก็เหมือนกันพระสงฆ์ก็เหมือนกันปฏิเสธแล้วผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตหรือตราบเท่าเข้าสู่พราจะผพานไม่ถือรัฐที่อื่นมาปนเป ไม่ถืออยู่ยงคงกระพันมาปลเปไม่ถือไสยศาสตร์ไม่ถือเรื่องดียามดีมาปลเปไม่ล่วงอบายมุกไม่เสียดายอยากร่วงศิลท่าไม่เสียดายอยากจะคบมิตรชั่วไม่เสียดายอยากจะถือไสยศาสตร์ต่างๆเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล ไม่สแสวงหาเกศบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาไม่ใช้ได้จากค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเรื่อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำมาน่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ไม่มีในกิจสุภเิปันโนเลยจะภาวนาตลอดรุ่งตลอดคืนก็ตามจะอดอาหารจนขุมขนขุมผมหล่นก็ตาม ถ้ายังเสียดายอยากล่วงละเมิดสิ้นห้าเสียดายอยากกระทือศาสดาอื่นมาปนเปนอยู่ก็ไม่ใช่สุพติปันโนสุพติปันโนเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาสิ่งไหนไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจสิ่งไหนที่เสียดายอยากล่วงละเมิดสิ่งนั้นก็หนักใจทําไมจึงไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเพราะเหตุว่า เห็นดิ่งลงไปแล้วว่ามันเป็นทางชิพายพระพุทธศาสนาบอกมนุษย์สมบัติจำภูมิแล้วอบายมุกทุกประเภทเป็นมนุษย์วิบัติและก็เป็นสวรรค์วิบัติด้วยและก็เป็นพรหมวิบัติด้วยและก็เป็นพระนิพพานวิบัติด้วยถ้าเรีนมนุษย์วิบัติแล้วหากเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัว ขั้นใดก็ดีถ้าไม่เสีดายอย่างร้งแล้วเมื่อสิ้นห้าแล้วศิ้นอื่นๆคือได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วดวงตาเห็นธรรมในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยไม่ดังเลยไม่ถือตนถือตัวในพระพุทธศาสนาะยอมอ่อนลาบคาบย่าในพระพุทธศาสนาะเรียกว่าสักกายทิฏฐิที่ว่าไม่เห็นคั้นห้าเป็นตนตนเป็นคั้นห้าอันนั้นในทางปรมัาสตก็ถูกอยู่ แต่ผู้จะเห็นอย่างนั้นชัดแจ้งก็คือภูมิของพระรหันต์ส่วนพระศรดาวันเห็นเป็นเอกเทศแต่ไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดเขืนหาเลยไม่ใช่ได้อยากถือศาสนอื่นเลยอัญญชัดตุเทศไม่ใช่ได้อยากถือศาสนอื่นผู้นั้นก็คือสุปฏิปันโนถ้าถึงสุปฏิปันโนแล้วอุชุยยะสามีกิก็เปิดประตูไปเอง ไม่สงสัยในปฏิปทาของตนด้วยเป็นอาจารณ์ศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อถอนไม่ออกเป็นโลคุตระศรัทธาและก็เป็นโลคุตระปัญญาและก็เป็นโลคุตระศีลเบื้องต้นเอกเหมือนกันจะภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็ตามไอ้พวกภาวนาหาเลียาขาหาบัตทาเบอนอันนั้นเป็นพวกโลกีไม่ใช่โลกุตระ ใครเรียนพุทธโธจบพระโสดาบันเรียนพุทธโธเบื้องต้นไม่สงสัยในพระพุทธศาสนาปิดประตูอบายภูมิทั้งสี่แล้วพระอรหันต์เรียนพุทธโธจบพุทธโธไม่มาเกิดมาแกะมาเก็บมาตายไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงเรียนนโมก็จบพระอรหันต์นโมแปลว่านอบน้อม นอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เกบตายอีกนอบน้อมจนไม่มีโรคบวดหลงนั่นคือพระรหันย์เรียนนโมจบแล้วส่วนนมโมของพระสวัสดิบานอบน้อมจนไม่หลงทางเดินตรงไปสู่พระนิพพานและไม่แวะ้า้แวะขวาไม่ถอยหลังด้วยไม่สงสัยด้วยเรียกว่าอาจารย์ลศรัทธาด้วยเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมด้วยไม่ใช่ตานอกตาในเห็นธรรม ตาปัญญาสามัญตะจัสุจักสุกสรอบครอบในชั้นพระสวสดิวันพุทธศีรจัมพวกข์สมาสัมพุทธะจัมพวกหนึ่งพระเจกพุทธจัมพวกหนึ่งสาวกสาวิกาพุทธจัมพวกหนึ่งนี่เรียกว่าพุทธศีรจัมพวกพุทธในที่นี้พุทธเป็นเอกเทศคือพระสวสดิวันสักทาคามีอนาคามิส่วนพระหรันเต็มภูมิของพุทธาสาวกโก แล้วสาวิกาแล้วส่วนพุทธะข้างต้นคือพระเจกพุทธะนะสมาสัมพุทธะัสมาสัมพุทธะเป็นพุทธะชั้นที่หนึ่งพระเจกพุทธะเป็นพุทธะชั้นที่สองอรหันตพุทธะเป็นพุทธะชั้นที่สามานาคามีพุทธะเป็นพุทธะชั้นที่สี่สกทารามีเป็นที่ห้า โสดาบันเป็นพุทธชั้นที่หกคือสาวโกโอพุทโธเป็นเอกเทศไม่ยังไม่เต็มภูมิถึงพระรหัสเนี่ยเป็นสาวกเต็มภูมิบางท่านก็บอกว่าพุทโธพุทโธไปเอาผู้รู้แต่ไม่อธิบายผู้รู้เราก็ฟังไม่สนิทเพราะผู้รู้มีเยิ่งย่อนกว่ากันผู้รู้ของพระสมณพระพุทธเจ้าผู้รู้ของพ่อพระเจด ผู้ลูปของพระทหารตาขีนาศพผู้ลูกของอนาคามีผู้ลกของสกทาคามีผู้ลูกของพระโสดาบันมียิ่งยอนกว่ากันจะเอาไปตีเสมอกันไม่ได้ปัจจุบันของพระโสดาบันปัจจุบันของสกทาคามีปัจจุบันของพระอนาคามีปัจจุบันของพระรหารปัจจุบันของพระพระเจ้ปัจจุบันของพระสมณะพพุทธเจ้ามียิ่งยอนกว่ากันตามยานสัมพยุต วิถีของจิตและวิถีของธรรมของท่านจะปฏิเสมอกันไม่ได้อีกปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารปัญหาไม่มากทำไมจึงปัญหาไม่มากเพราะบารมีแก่กล้ามาแล้วถ้าบารมียังอ่อนอยู่ก็ปราถนามนุสยรรมบัติสวรรค์สมบัติ พรหมสมบัตินิพพานสมบัติผู้บาลามีแข็งแล้วก็มุ่งปฏิบัติพรหมอาจารย์เพื่อพนทุกข์ในวัาสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาติปัจจุบันในชาติคืออะไรก็คือปัจจุบันนิจปัจจุบันธรรมเราดีๆนี่เองจะสิ้นมรรคผลนิพพานตอนไหนจะข่ามรรคผลนิพพานตอนใดเช่นพระสวัสดิบาลสัคตาคามีอนาคามีอรหันต์ก็เหมือนกัน ก็คิตปัจจุบันทำปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่จิตอดีตทำอดีตไม่ใช่จิตอนาคตทำอนาคตปัจจุบั น, นันโยธรรมังผู้เห็นธรรมในปัจจุบันมียิ่งยอนกว่ากันดังว่ามานี้คือพระสัทวันสกทาคามีนาคามีพระหรันพระประเจพระสมัยสมุทัเจ้าดังที่ว่ามานั้นทีน่นี่ต่อไปนี้พวกเราเราจะทําอะไรก็ทำํำซะเดี๋ยว่อยจะด่วนกลับวา่าผู้ที่อยู่กับที่ จะพูดสามชั่วโมงวันก็พอพูดเทนบ้านอยู่คนห น, นนหน้าแ่งโมมว่านอมนอพุทธธรรมสงฆ์ทำวัดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเองเอ่อธงโมักโกรผูตธโมักโกรผูธงโมสักโก ท่านสมาทั้งพุทธเจ้าทั้งหลายชั้นที่สองพระปฏิเจกทั้งหลายชั้นที่สามอรหันตาชีนาโสทั้งหลายชั้นที่สี่พระอนาค า, ามีทั้งหลายชั้นที่ห้าพระสกทาคามีทั้งหลายชั้นที่หพระโสดาบันทั้งหลายพระมหาเถระทั้งหลายเหล่านี้แหละถ้าพวกเราได้ทําผิดท่านด้วยกายกรรมสามมจีกรรมสี่มโหกรรมสาอันใดอันหนึ่งมาแต่พบก่อนก็ดีนะปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีขอให้พระมหาเถระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงอโหทุกข์ให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่ Holz, อ วันสุดท้ายพวกเราทั้งหลายต้องประสบแต่ความสุขความจเจริญในบาวาดาพุทธศาสนาควาพระศลมาสัพพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชาอบอยู่ทุกมาเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายทั้งที่มาในที่นี่ก็ดีทั้งที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีทั้งทั้งตจโลกธาตุต่างฝ่ายต่างทําผิดกันด้วยกายกรรมสามวิจีกรรมสมโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งก็ดีขอให้พวกเราทั้งหลายทุกทนหน้าทั้งทั้งตจโลกา จงผาทะจากเวียนภัยซึ่งกันและกันอยู่ทุกเมื่อผลชุดท้ทายพวกเราทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงโดยไม่เหลือทุกขทั้งนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเทือนอะหังตุมเฮ ห, หิเปเวสมาเมตตาบางยะตาปะ ป, ปังกตังกามังกุทเลนะปะหยิยติโซมังโรกังปะพาเซกิยป ม, มุตโตวันชันถิมาอะพิวาธนสีทิสานิจนจังมุทภาพาจาโยโนจัตตารธรรมาวัฒททนติอายุวันูสุ ข, ขังพระหลัง ทำวัดทั่วทั้งไตรโลกธาตุมันไม่ผิดหรือมันไม่ผิดเราเคารบสิ่งธรรมะที่ไม่มีเวรในภัยมันไม่ผิดเนี่ยบางท่านจะมีคําแชงว่ามันไม่ผิดหรือเราทําวัดทั่วทา้งไตรโลกธาตุเราทําวัดอันไม่มีเวรในภัยเราเคารพทำอันไม่มีเวรในภัยมันไม่ผิดตรงนับคําว่าเหตตัญจะสัพพโรกัสฉิมยังมาสัมภารเยปนิมานางังทําดีแล้วก็ไปอยู่ใจ ทำชั่วแล้วก็ไปอยู่ใจทำบุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจทำบาปก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจทำบุญก็ทำบุญฉลองใจทำบาปก็ทำบาปฉลองใจใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาต้องได้รับส่วนควรค่าของเหตุที่ทำขึ้นในทางดีและทางตัว่วทำไมจึงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา พระคําสอนพระพุทธศาสนาละเอียดละออมากลึกซึ้งด้วยแ่ะเป็นคําสอนของโลกุตละด้วยไม่ใช่คําสอนโลกีที่มีโลกีมาปนไปก็เพราะเอาคําสอนศาสนาอื่นมาปนไปกับคําสอนของพระพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธศาสนาท่านจัดเป็นพรหมจันทร์เบื้องต้น ก็แต่สุภัจญโนเป็นต้นไปเท่านั้นจนถึงสามีจิตพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกดมีคำสอนอันเดียวกันไม่รบร่างพอรอบอกันเลยเพื่อนทำให้โรกบาลคุ้มครองโรกสองอย่างความละอาต่อบาบความกลัวต่อบาบเท่านั้นจะคุ้มครองโรกได้ ถ้าไม่มียังอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกฏหมู่กฏพักกฏพวกของชาวโลกก็ตั้งไม่อยู่อู่ของทำไม่นําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทําความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับมิน้ำซ้ําก็ทําในที่แจ้งด้วยเพราะเหตุใดเพราะไม่ละอายต่บบาปเพราะไม่กลัวต่อบ า, า, า, อ า, อ บ, าอบาปแล้วสองข้อบางต้นมันก็ไปล่วงศีลห้าล่วงละเมิดศีลห้าถ้าหากว่าชาวโลกพอมีอายุ เจปีก็รักษาชิ้นห้ากันหมดอย่างนี้สงครามจะมีมาจากประตูใดละ่ะทหารตำรวจก็ไม่ต้องมีเรือนจําก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้านอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างนั่นพระพุทธศาสนาปลดอาวุธแต่พวกเราไม่ยอมปลดชาวโลกไม่วนยอมปลด ลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปรมาณูเป็นเครื่องปกครองโลกพระบรมศาสนาทุกๆพระองค์มาในยืนยันอย่างนั้นเลยอันนั้นคือสนองเวนสนองไพรพระพุทธศาสนาทาคนให้เป็นหมันแล้วพระพสุสัมมาเนรพวกเราในประเทศไทยีนไม่ต่ำกว่าสี่แสนหรือห้าแสนให้คนสี่แสนห้าแสนนี่ออกไปดูหรูออกไปทางโลกนาท่านเอ๋ย ลูกเมียท่านเอ๋ยที่ดินท่านเอ๋ยจะได้ที่ไหนมาให้พอนี่พระพุทธศาสนาทำมันแล้วเพราะมาให้มีเวนภัยแก่กันแล้วกันเพราะปดอาวุธทางเวนิภัยแล้วพระพุทธศาสนาแต่พวกเราไม่กดมันก็ยุ่งเหยิงกันอยู่ทุกยามย่านั่นนั่นสอนให้รักกันอย่ามีราคีคายจะให้เบียดเบียนเช่นกันและกันพระบรมศาสด า, าสอน ใครเอาไปใช้ไม่พิษเลยคำสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยใครเอาไปปฏิบัติก็ได้รับผลตามส่วนคนค่าของเหตุที่ทำน้อยแล้วมากไม่เลือกชั้นวันลนะเลยคดีดำคดีแดงในโรวงในศาลมันจบกเกษียณเป็นตําและผลของการจบกเกษียณไม่เป็นเลย ตามไปถึงชาติเข้าสู่พระนรพลแต่ตามถึงพระอรหันต์มันไม่ถึงเพราะพระอระหันต์เป็นโอาโหติกรรมแล้วตามไปก็ไปพบแต่ขันห้าล่นร้วนเพราะขันห้าขององค์ท่านมันมีอุปท า, านแล้วมันก็ไม่ได้ตัวผู้ที่ยังไม่พ้นทุกมันก็ตามไปมันก็ได้ทั้งหนังทั้งเขาเพราะยังไม่พ้นทุกแต่ตามประหาพระสวสดาบันสักทาคามีอนาคามีอรหันต์ท่านไม่จองเวรกับใครถึงตามไปท่านก็ไม่จองเวร พระท่านรุดหน้าแล้วไม่จองเวรกับท่านผู้ใดอาฆาตจองเวรผูกใจเก็บไม่มีในพระโสดาบันถึงจะโกรธท่านก็ไม่ถึงกับผูกเวรเคยได้สร้างกับเขามาแต่พบก่อนก็ให้เล่ากันไปซักถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้เล่ากันไปสัาา ก, กสท่านต้องลงเออย่างนี้เหตุที่นั้นท่านจึงปิดอบายพภูมิทั้งสี่แล้วเมื่อถึงพระโสดาบันแล้วสกทาคามีนาคามีอานาหารก็เปิดประตูไปเอง ถ้ายังไม่ถึงเราก็ลำบากเดินวนตามขอบกระดุกผู้ที่หวังพ้นทุกข์ในวัาสงสารปัญหาไม่มากเพราะปัญหาท่านเหล่านั้นท่านทาลายหมดแล้วผู้ต้องการพ้ทุกข์ในปัญญาวันชาติปัจญาวันกิจปัญญาวันธรรมก็คืูผู้สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วนั่นเอง พิจนาใจรักเท่านั้นพวกนั้นไม่ลําบากนิมิต ท, ทั้งหลายไม่ได้ติดอยู่นิมิตเทวุทธเทวราอินพรมยมยักษ์ไม่ติดอยู่เพราะใดๆในโลกลว้วนอานิจังใดๆโลกล้วนทุกครั้งใ ด, ด, ด, ดๆในโลกล้วนอนัตตาแล้วทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมอูสสัตว์โอกาสโลกกคือแผ่นดินโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารลาประมาทุกขาสังขารแผ่นทุกอย่างยิ่งสังขารแบ่งออกเป็นสอง อุปาทินาคตสังขารสังขารมีใจครองอนุปาทินาคตสังขารสังขารที่ไม่ม <illnesses that S 2> <boarding of> ีใจครองสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ประจําโลกอยู่ยัดเยียดอยู่ในโลกแต่ไม่มีในพระนิพพานมีในโลกเบื่อหน่ายโลกก็เบื่อหน่ายสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันกับเบื่อหน่ายความหลงของตนที่ไปหลงโลกหลงสังขารก็มีความมันกันก็มีความหมายอันเดียวกันเพราะว่าเบื่อหน่ายก็คือเบื่อหน่ายความหลงของตนที่ไปหลงสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยง สิ่งที่ไม่เป็นทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นของสุขสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามอันนั้นยังไกลอยู่อันนั้นผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติตาเป็นแตสักว่าตาหูเป็นแต่สักว่าหูลิ้นเป็นแต่สักว่าลิ้นกายเป็นแต่สักว่ากายใจเป็นแสักว่าการูปแข็งกิ่นรดผนธพระทำมาลงก็เหมือนกันปัจจุบันอดีตอนาคตก็เหมือนกันปัจจุบันคืออะไร คือรูปขันธ์นามขันธ์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือรูปขันธ์นามขันธ์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือรูปขันธ์นามขันธ์ที่กําลังเป็นอยู่ปัจจุบันคืออะไรคือสังขารที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือสังขารที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือสังขารที่กําลังเป็นอยู่ทีนี้ตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญามันก็เคลื่อนขึ้นไปเมื่อใดเห็นทำทั้งหลายว่าเมตียมเป็นทุกเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมนายในทุกนั่นแหละทางแห่งวิสุทธิ ศีลไม่สุทธิสมาธิไม่สุทธิปัญญาไมสุทธิกรมกลืนกันในปัจจุบันเลยไม่ต้องเรียงแบบก็ได้ท่านผูใจสูงทําสูงหลังเพื่อคนทุกนายวัดท้าสงสารเราไม่มีของเราไม่มีผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีเพราะมีแต่สังขารและความทุกพระก็รับหายใจเข้าออกเลย เป็นทศวรรษใรู้เป็นทศวรรกใเห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเพราะท่านในกำหนัดในรู้ในเห็นเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารเรารู้พระ涅槃ตามเป็นจริงของพระา槃แต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองท่านผู้พ้นไปแล้วพระบรมศาสดาก็ยืนยันอย่างนั้น เรารู้สมุติตามเป็นจริงของสมมติเรารู้อิมุสตามเป็นจริงของอิมุสแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทางสองเรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทาง3เหตุนั้นวิญญาณปฏิของสนธิของเราจึงไม่มีในปัจจุบันอดีตอนาคตเลยต่อไปนี้ก็เอวังซักสพโรคามนิมุโตสัพสันตาภวัติโต สัพเพเหระมติกันโตนิพุโตเฉตวังภาวะสัพพิโยยวัจันสัพโรโคยนัสตโตมาเตภาวะตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกพราะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปจกายโยจัตตารุธรรวัตตันติอายุวันโนสุขังภรังด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณแล้วก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไมไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกคนหน้า ทั้งที่มาในที่นี่ก็ดีม่ได้มาในที่นี่ก็ดีจงประสมแต่ความสุขความเจริญในบาวรธรรมพุทธศาสตร์นะความพระธรรมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเทือนเห็นอันนี้จังคณะคิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นอนัตตาคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วไม่ต้องสงสัยในโลกทั้งปวงเลยข้ามทะเลหลงของตนไปสซะเอาล่ะทีนี้